ในโลกนี่มันมีดีไม่ซัวให้เทศให้เอาแต่ส่วนมากมันซัวเน่ยบอดีทุกอย่างคั้นแค่หน้าเลยล่ะคันแค่หน้าครับผืนหน้าทั้งเมดเลยขันแค่หน้าที่แฉบแฉะหนึ่นมันรุดอยากขั้นแค่ลงแตมันตกใส่ขีตมตกใสหน้าโหลดมันอัหล่ะคว่ำโอกาสที่เท่าสิทธิเ็ศคว่ำพอดี หลายโอกาสที่ทำค้มดีแตมีอยู่หัก น, อน้อยขันผู้บอระมัดระวังแล้วก็ติดปนแฮกซนแนวะทั่วหลายนะต้งค้นกับพี่บว่าหักเลยแฮกอันนี้ดีแล้วพุ่จัเมื่อติเป็นเจ้าบุญแ่ตอนี้นเป็นบาปดูีเพราะะฉนั้นจ้องระมัดระวังนะระมัด ร, มระวังเอาใครเอามั่นเลยคียจัง คนเอามาปล่อยไว้ทิ่มทงทั้งนี้นะไปให้ในมูลแก้วภา ก, ก, ก, กันไปขวมไปคุนเดอฟังมันขิมมมคุณละ่ะเพื่อนมีชั้นแค่หน้าใไปอยู่ใสใสชั้นแค่เดียวนี่แหละชั้นแค่เดียวกันนี่แหละไใสฟ้าใต่ไหลังพ้นกับเป้าฟังหลายมื่นสลาดลุ่มบวมทางสายบลงทางขัวนะขึ้นมาไหมเขาเก็กบกขึ้นไปไปล่างไม่ละกัน ทำคมาปลอยไม่ให้ให้วมไปฟังคุ่นให้ควมไปซิ่มทงฟุ่นนี่แหละอนนี้ทั้งสเฮ็ดบุญเฮ็ดบาปมันมีหลายข้างทั้งกายว่ายาทั้งใจทั้งกายเฮ็ดได้เฮ็ดบุญปล่อยบูปลอยสวกเฮ็ดียกเฮ็ดงานเบายิ้มเบาหั ว, วกับเขานาตาโปบูโปเบี่ยวโปบื่งนะครั เป็นบุญทังนั่นแหละเป็นบุญทั้งกายทั้งวาจากตซอยแนะ น, นํนำำาแนะนําธรรมะแนะนําทางสปฏิบัติแนะนําการบุญสุนทานบอกบุญด้วยกันแนะนํำค้นละเว้นต้มชั่ว น, นี่แหละเป็นบุญหมาสีแดงมากจคต้นก็ไล่หมาหิ่งก็เป็นบุญ น, น, น, น, าานีน่สละักที่นี่ ทั้งใจแค่นี้ทั้งใจให้ต้อมไปดีๆใจนี่แหละตัวการง่ายนะนี่เป็นบาปเป็นอะไก็ออกไปจากใจนี่แหละใจมันพื้บ่ดีพื้นี่จะค่มควมอยากได้นี่จะค่วมเกลียดค่วมสั่งนีง่จะค่วมรุมค่วมหลงพ่วงโมโหจัดเสียเงี้ยเป็นกโลซะเลยใจหลงใจโบรูพ่วจริง พมลูพ่นทิงว่าทุทิงทุกอย่างเนะ่ะมันเป็นอันจังทุกขังอนาาัตตาบลูอริยสัจใจใจหลง น, นะงนงั่นอ่ะยังบืนยังคึดอยากยูอยากเอานั่นเอานี่อยู่ใจใ น, นมันมนี่เนี่ยมีโลภมีโกรธมีหลงนี่แหละ ม, ม, มันก็เป็นเป็นโซอันตั้งการแห่ห้าไปเะ็ทศแยวบอดีต่บบางกลามโซ่เม่าเห้ายยางไปเช่งแท่หน้า ใจนั่นแหะข้าให้มันมือเนี่ยมันบรมัดระวังมันเป่ามันฟังมันท่ามันเป้าเลียนนี่สิเหมันว่ามันก็มือตลาดลุ่งอะไรนี่ใจนี่แหละใจเป็นตกสางเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหลายมันใจนี่แหละมันผู้ใดระมัดระวังใจไม่ได้ล่ะกะโอ้ปลอดภัยแหละดีละเครืงนึ่งละระมัดระวังบ่อยจะของ มือ่นคันแท่นหน้าล่งหันมาคลนิกเอาใจนี่แหละประคองดีดีเลี้ยวไปช่างนาไปช่างไรน้อมันมันสีแมนข้างมันสีแมนซื้อขันแท่นหน้าวางหันมันสีมีวางมือ่นบ่อนอวางหนีมันสีมีวางขันแท่นหน้าขาดบ่อนออย่าเกินตอาใจนี่แหละพิจารณาไปการทิ่ะมัดระว่างตัวเองหนึ่งเป็นสมถะ กันมัดกระว่างบรห้ลลมบรห้ต๊นี่เช่นไสมมติเอามันรักษาใจไว้บรให้มันออกไปนี่หละนี่แหละสมมิรักษาใจบรให้มันออกไปใจบหมันซ่อมใจเจ้าของหั้าจเจ้าของสังขีเจ้าของกระบอกาดเจ้าของกระบอกโต๊ะลมบรเหารบาศัวเรียกขันเป็นสีเฮ็ดันเด็เด็ดบุญลนนี่เช่น่ะลานนี่ะ พิเชลานาที่ได้ห้อสิ่เหตุกัรไดเนาะต่อไปเนี่ยนะอันนั่นเรียกว่าพิจชลนาอันทพิเชลานาแล้วมีสลาดว่าโอ้ไปทั้งนี้เธอเว้ยไปทั้งนั้นเธอเว้ยโอ้วังฟังอยู่มันเป็นบวกเป็นน้องมีเส้นควมามั่งทีนะมันมก็สิเห็นเนี่ยเขาเรียกว่ามัเกิดปัญญาเกิดค่วมเข้าใจอันแนวห้อสิเหตุต่อไปเห็นอย่างทีละขวมพงได้ขวมไปฟังซูนได้ เข้าใจว่าโลกนี้มันมี่มมมนีน่น ม, ม, มั่แต่ละดีกันนี่ส่วนแต่นี่ถ้าาบารมัดระวังข้าอยากดีอยู่นี่แหะแต่ว่าข้าบร า, มารบามัดระวังกับเฮ็ดกลุ่มตัวหลายเฮ็ดอุดอกกลดีเฮ็ดดีอยู่กเฮ็ดตัวนคือยังค้นเขาจะเฮ็ดบุญเพราะว่าเฮ็ดบุญผักข่างว้วงข่ากล้วยอย่างที่แล้วมันก็นได้อยู่ดอก บ, บุญนจะได้ทาจําก้อยบัดบาท หาหัวหาข้ยอยกระเด้งข้ามกำปั่นทังสันห ล, นลังใจระมัดระว่างด้วยจิตใจกายว่าใจใจอยู่ไปเข้าไปซ่อมไปปิดเจรณาไปคุดไปป่อกับเน่าอึนเ้อาไปยังไปป่อไปเห็ดมามากใหม่รักษาใจเจ้าของด้อยเป็นรักษาเน่าอึนรังพุนรักษาหัวรักษาห้าวรักษาทรัพย์สมบัติสิ่งของเมืดตัวซีดเช・・ รักษาไว้แล้วก็เอาไ ป, ปว่าใดเขาบอให้เอาเขาบอให้จักบาทจนตใจมั น, านบานี้ามารักษาใจเขาจะดีดีแค่แค่รักษาใจดีควรรักษาเงินรักษาต้องรักษาคือเสียงรังคนนี่คือเสียงใหญ่โตหรอกใครมาลบลู่ว่าใดนี่ใครมาเว้าน่อยเว้าวเล็กวน้อ ย, อ ย, อ ย, อยเกิดเป็นต้นนองว่าเขาดูถูก ด, ดูมินเพราะว่าเหียดเขาสร้างเขา จนว่าฆาากันตายเลยนี่นั่นแหละจะไปรักษาเอียงเนี่ยเราจะไปรักษาเนี่ยบบเป็นสาโบเป็นประโยชน์ให้มารักษาใจรักษากายรักษาวาจารักษาใจเป็นหลักเป็นวิธีการของนักภาวนาทั้งหลายกันไม่เท่าทิไปยื้อใจหรือทีเป็นมุจักภาวนาแล้วมันซ่อมับเข้ามนี่ยแหละมารักษาเจ้าของเนี่ยแะนี่ยเป็นเรา มัดเยลามเวล่าโยไปคัวอยู่ทางหงกคนหาโบาถืกหมองโบถืกทีโบเป็นใ น, น, น, น, น, นภาวนาผู้บาดการคนบ่าวองไหนหละคนสาวอุท้าเหนื่อยว่ากันจิตภาวนาการหาธรรมะย่าไปหาไก่เด้ไหาเช่นหาอยู่ในห้อหาไก่โบโบเคยได้กันจิตไปได้แนวอื่นเป็นโทษมากเป็นจิดเป็นไข่มากเฮอาอยากได้แนวอีดห้องขนไ ป, ปนได้แน่วบว่ดีมากส่วนมากเชนนี้กัน กันีเอาทำมาล้วบออึดกระยากนี่นั่ตัวจะคล้องให้ซ่อมเด้อคุณบาบ้เสื่อนซ่อมต้องซ่อมบังต้องคยหุ่จักรจะคของบอคยหู่นมือจะคล้องบเคยสังเกตบอไปจะคองหันใจเนี่ยเอาซะนี่หละหันใจอยบอเสื่อนจะเคื่อนก็บอสังเกตจะเคือบอถหู่มือบหู่มือจะเคือนไปจะค้องหันใจมันยังสี่ละโอันส่งจะค้องขาด เห็นหูตวัวซื่ออยู่พอซ่อมพอตาไปเบิ่งไผู้หน่นผูุ้นีว่าเขาส่งเขาขาดเขาเกล้วยในทีเดหนา้าจะของแน่ปรทธานสิดีสุนมาได้แค่น้อย